อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่ อ, เ ม, อเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราก็แกะรอยได้นะฮะอันนี้ดอว่าการแกะรอยนะการศึกษานี่เราเรายังไม่ถือว่าเป็นข้อสุดท้ายเราแกะรอยอยังไงยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่า I don't know what I don't know มาคู่กับรู้นะครับใครไม่รู้เรื่องศีลบ้างในสังคมหลักศีลรู้ไหมรู้ไหมพูดถึงสากลเลยนะข้างนอก มีใครไม่สอนเรื่องศีลบ้างสมาธิปัญญามีใครไม่รู้บ้างสอนไหมตกลงวัดไอโน w มีใช่ไหมมีรับรู้กันไปแล้วนะใ ส, ใส่การเรียนรู้มาหมดแล้วถูกไหมครับแต่ I don't know แปลว่าตกลงมันมีผลของตัวปฏิบัติขึ้นที่ตัวไหมล่ะเมืมม่อไม่มีจะเรียกว่าโน่ไห ม, ไมก็ต้อง I don't know ใช่ไห ม, ไมงั้นตัวรู้ของท่าน ร, รู้ได้ยัยงประสบไปยังประสบผลสมเร็จยัง ยังใช่ไหมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผ่านแล้วนะข้อนี้เมื่อมาเทียบกับกิจของอริยสตรีแต่กิจอริยสตรีต้องการรู้ในสิ่งที่ท่านยังไม่เป็นจริงไหมที่เราเรียกสักกายะบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็คือรู้สิ่งที่ท่านยังไม่ได้จริงไหมแต่ถ้าตัวนั้นยังไม่เห็นเลยนี่หนักไหมเนี่ยลงเลยใช่ไหมเข้าขายหลงเลยจริงไหมเอองั้นโอเคขั้นนี้ก็เราเข้าใจละทีนี้ขั้นต่อไป I don't know what I don't know ถูกไหมครับฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้อะไรถ้าเรามาคิดถึงว่าถ้าทุกคนบอกว่าอริยสี่รู้ว่าเรามีเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเราก็ควรจะพ้นทุกข์ไม่ยากจริงไหมแต่เราได้ยินเข้าว่าเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัยเนี่ยนานมมาพร้อมๆกับศีลสมาธิปัญญาแล้วใช่ไหมแล้วถามว่าตัวนั้นเนี่ยเราละได้หรื อ, อยัง ละได้ยัย ง, งเมื่ อ, อยังมันก็ยังไม่รู้ใช่ไหมนี่ตัวสุดท้ายนะแล้วแม้กระทั่งวิธีละออกมาเนี่ยอย่างวีตาราคาวีตตาโทสาววีต า, า, ตามหหเนี่ยรู้ไห ม, ไมพูดถึงทั่วไปนะรู้ไหมไม่รู้รเห็นไหมเด็กของเราเมื่อกี้บอกยกตัวอย่างเมื่อกี้ราคาคิกโทสาคิกโมหคิกอะ่ะมันจมอยู่ในน้าอะ่ะใช่ไหม มันไม่รู้แม้กระทั่งจะเอาบีตาออกมายังไงเลยจริงไม่ใช่ถูกไหมครับงั้นถ้าอยู่ในสภาวะนั้นก็คือไม่รู้เลยแม้กระทั่งวิธีออก I don't know แรกก็คือไม่รู้วิธีออก I I what I ะ uh, what I don't know ก็พ้นออกมาแล้วเป็นยังไงบีตาลาคาเป็นเท่าไงท่านก็ไม่รู้อีกอยู่เหมือนกันชัดหมคือคือคื อ, คอหมายว่าแมทชิ่งกันก่อนตรงนี้พอได้ไมพอพอเข้ากันได้ไหม ถ้าคําถามวิจัยนี้นะฮะมาแบบเนี้ยแล้วเราจับหลักความรู้ตรงนี้มาตอบคําถามชุดนี้ได้ไหมได้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกสมูทไทยนะนเพราะทุกคนรู้สึกว่าสมูทไทยเป็นของกล้ยก๋วย อ, ะ อ, อ่ะแล้วทําไมไม่บรรลุสักที เราประมาทเกินไปเห็นเป็นของกล้วยพอคิดว่านึกว่ารู้ๆอยู่แล้วแต่มันคำถามวิจัยนี่ลึกนะพอเจอก็ใน4ี่คำถามเนียคาถามนี้ทุกคนเนี่ยงงที่สุดเขาบอกว่าถึงขนาดพูดว่าถ้า don't know w h a t I don't know นะสิ่งนั้นไม่มีอยู่เป็นฟิโลโซฟีเลยนะเป็นฟิโลฟีเลยนะเพราะว่าฉันไม่รู้แม้กระทั่งอะไรที่ฉันไม่รู้มันจะมีอยู่ได้ไงอ่ะคถามปรัชญาเขาไปถึงขนาดนั้นเลยนะ แต่ถ้าท่านบอกสมูทไทยอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านตอบอธิบายตัวนี้ได้อยู่ไหมมีไหมมีมคำถามนี้มีไหมคนที่จะปฏิเสธอย่างนั้นเนี่ยก็เริ่มปฏิเสธไม่ได้ถ้าเข้ามาจับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคำถามนี้เป็นคำถามที่ ชวนโลกแตะเหมือนกันนะแล้วแล้วต้องประมาณให้ดีนะท่านรู้ล้อธิบายท่านต้องดูนะต้นทุนเขามีหรือเปล่านะถ้าเขาถึงขนาดเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่รู้ว่ามันไม่รู้อะไรเนี่ยจริงนั้นไม่มีในโลกเนี่ยแปลว่าโมหะขนาดไหนดีกรีขนาดไหนเข้มหรืออ่อน<ม>ฮะ<ม>เข้มก็ต้องวัดภูมิท่านนะว่าท่านจะไปแตะโมหะเข้ ม, ขมๆไดหรือเปล่าว่าประมาณหน่อยนะครับประมาณหน่อยอ่าครับเอาทีนี้มาตัวนี้น่าจะง่ายที่สุด แจ้งผู้เป็นอรหันแล้วเนี่ know, ยไอโ know วัตไอโนไหม่นี่ดึงกลับมาจากอมตะนะคนรจะเป็นอมตะก็ต้องอรหะใช่ไหมใ ช, ใช่ไหมครับแจ้งไหมไอโนวัตไอโนไหมมีอะไรที่เป็นอรหะนต์ไหมมีอะไรที่ไม่รู้มีอะไรที่ลี้ลับไห ม, มอแจ้งตอบคําถามชุดนี้ได้ใช่ไหมใ ช, ใช่ไหมใช่ใชอ่า ได้มาตั้งสาอีกแล้วนะท่านไล่ามาจากต้นเมื่อกี้ได้จากบนลงมาตอนนี้ไล่าจากล่างขึ้นไปได้ตั้งสามแล้วนะเข้าข่ายหมวดธรรมของพระเจ้าแล้วนะหมวดที่สี่ตัวนี้เออฉันรู้ว่าฉันไม่รู้อะไรใครพอที่จะขยายนิดนึงได้ไหมเป็นคําถามสุดท้ายแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะจบละอะอันนี้ขอสอ ง, สอ ง, สองคนก็พอนะครับเรื่องขอขอนุญาตเพราะเวล า, าน้อยลงท่านอาจารย์ค่ะครับในประโยคที่ว่า I know what I know ถูกไหมคะอาจารย์อันนั้นผ่านไปแล้วเราเราเราถือว่าแจ้งแล้วไงแจ้งแล้วตอนนี้จะมาตัวสุดท้ายคืออ๋อ <I> ขสใช่ไหมคะอ๋อ uh, I know what I don't know คือตรงกับเจริญเนี่ยคือฉันรู้ว่าฉันไม่รู้อะไรใช่ไหมคะ<อ>ในความหมายของดิฉันหมายความว่าอฉันรู้ว่าฉันไม่รู้อะไรคือ ตั้งแต่กระบวนการแรกเลยฉันไม่เห็นสมุทยและฉันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำการละหนึ่งอันแรกไม่เห็นไม่เห็นตัวสมุทยัยแต่ก่อนที่จะไม่เห็นสมุทยก็คือโนโนโนฮาวเลยไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มาสมุทยก็คือไม่เห็นอะไรเลย เมื่อมันไม่เห็นตั้งแต่สมุทัยแล้ววิธีที่เราจะทำการละหรือปฏิบัติก็ไม่ไม่ได้ทำอพอไม่ได้ทำก็ไม่เห็นวิธีทางที่เราจะเดินไปสุดท้ายเราก็จะไม่บังเกิดผลในการที่เราจะรู้สุดท้ายแล้วของความสิ้นสุดก็คือว่า ไม่รู้อะไรเลยก็คือไม่มีความรู้อะไรที่ฉันรู้เลยตั้งแต่แรกมาตั้งแต่ก่อนก่อนสมุทัยด้วยซ้ําฉันฉันรู้ว่าฉันควรจะยอมรับความจริงใช่ไหมใช่ฉันควรจะยอมรับความจริงว่าฉันไม่เคยที่จะประสบกับคํำเหตุผลนะเหตุผลนะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีดีมากนะครับมีท่านอีกท่านหนึ่งไหมครับอขอขอสองท่านพอนะเพราะเวลาจํากัดเดี๋ยวผมจะตกรถ มีบางท่านแอบยินดีถ้าผมตกรถก็สี่สิทว่าฉันรู้ว่าฉันไม่รู้อะไรนั้นตอมความเชื่ของผมนะครับก็ที่ผมรู้มานั้นคือสิ่งที่รู้มานั้นไม่มีอะไรเลยครับโอ้สุดยอดครับครับก็เข้าหลักสุญญตาไหมเข้าทำนองสุญญตาไหม ไหม irm, คอนเฟิร์มคําถามกลับหน่อยว่าที่พูดว่าไม่รู้อะไรในที่เหนืนิ่งระดับสุญญาตาอะไรเปล่าคือหมายมความว่าสิ่งที่เรารู้มาต่างๆนั้นมันไม่มีคือมันสิ่งไม่มีครับก็นั่นแหละคือคอนเซ็ปต์สุญญาตาใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับเอานะตอนนี้ขออนุญาตเฉลยนะผมผมเชื่อว่าเราคงไปในกระบวนการกลุ่มเนี่ยอันนี้ไปคุยกันได้อีกเยอะนะฮะอันนี้ลองตุ๊กตาเล่นเล่นกันเท่านั้นเองนะครับผมถามว่าขณะนี้ เอาเรื่องไอโนก่อนนะไม่ต้องเอาอื่นไกลเลยเอาท่านนี่แหละนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านทุกคนมีความรู้หมดไหมที่พูดมาทั้งหมดท่านมีความรู้ในชุดของความรู้นะคือความรู้มีไหมที่พูดมาจนตั้งแต่ยากมาม า, ม า, มาไม่ง่ายมาง่ายง่ายที่สุดเนี่ยสแสดงว่ามันไอโนใช่ไหมถูกไหมแต่สิ่งที่ท่านกำลังประกอบอยู่ขณะ น, นี้จะเกิดผลขึ้นแค่ไหนเราไม่พูดเอาตัวแปรนะ ไอจีปีอะไรนี่ยังไม่พูดนะเอาแค่ว่าสมมุติว่าตอนนี้ท่านประกอบขึ้นมาเกิดเป็นผลสำเร็จขึ้นมาระดับไหนเนี่ยท่านรู้ไหม<ะ>ปีที่สอง<ะ>เกิดผลสำเร็จกว่าปีที่หนึ่งยังไง ร, รู้ไหมปีที่สามจะดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าปีที่สองรู้ไหมปีที่สี่อหรือ F อ <laughs> ตอนนี้เราฝันว่า A ตลอดเลย A บวกบวกัน <laughs> ใช่ั้ยครับแล้วถามว่าชุดความรู้ในทางโลกุตละเนี่ยมีข้อสงสัยว่าไม่รู้ไม้มที่ฟังเพราะท่านมาตลอดขนาดนี้ที่มีชุดความรู้ที่มาทำงานขนาดนี้เนี่ยมิชช่น i m p o s s i b l ออันนี้เนี่ยมีข้อสงสัยว่าไม่รู้ไห I know มาขนาดนี้ข้อสงสัยตัวแรกอะ่ะไม่สงสัยใช่ไย I know นี่ชัดเจนใช่มอ่านี่คือตัวเจริญไงความเจริญนั้นยังไม่ปรากฏใช่ ความเจริญนั้นยังจะต้องเจริญแน่ๆรู้ว่าเจริญแน่ๆ แ, แต่เจริญนั้นยังไม่ปรากฏใช่ไหมแต่เรามีหน้าที่ใส่เหตุปัจจัยเข้าไปใช่ไหมชุดความรู้อย่างนี้มันสามารถส่งไปเป็นอิมแพกได้ไหมเป็นตัวผลกระทบได้ไหมต่อยอดในอนาคตได้ไหมะนะครับอันนี้พูดในเชิงมิติของงานวิจัยนะนะเพราะวิจัส่วนใหญ่ก็จะสรุปงานวิจัยใช่ไหมสรุปงานวิจัยแล้วแล้วเกิดประโยชน์อะไรถูกไหม แล้วสิ่งนี้สามารถต่อยอดไปในอนาคตด้วยการค้นคว้าอะไรขอให้แนะนะําอันนี้ถูกไหมฮะเราเอาเราลองเอากรอบตัวนั้นมาสัมพันธ์กับตัวนี้ดูนะครับไม่ไมีไม่มีเวลาขอขอไปนะไม่มีเวลามาถกอภิปรายกับที่ทั้งสองท่านพูดมาแล้วเมื่อกี้นะซึ่งจริ ง, รงๆท่านก็มีส่วนถูกไม่ใช่ส่วนถูกท่านก็ถูกแต่มันถูกตรงไหนยังไงอันนี้ขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราอาจจะมาคุยเรื่องสิ่งเหล่านี้อีกใน โอกาสข้างหน้าได้อีกในมาย้อนกลับมาในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเราย้อนกลับไปเชื่อมกับตัวข้างที่หนึ่งนะฮะว่าถ้าเราสามารถเชื่อมงานธรรมนิยามะฮะใน4ี่โครรัตน์นะครับในสเต็ปที่2อนะฮะก็คืออยู่ในหน้าที่6นะครับธรรมนิยาม5แล้วพัฒนาขึ้นมาสู่ ใจรักอันนี้เราเลยใจรักไปอีกนะเราเลยไปชุดความรู้ทั้งหมดเลยพูดว่าในชุดความรู้จากธรรมนิยาม5ขึ้นมาถึงไตรักอันนี้เนี่ยมันเป็นชุดความรู้มีเนื้อหาหรือมีหลักธรรมะเยอะแยะเลยอย่างที่ทุกอย่างมาแล้วนี่ทั้งหมดนี้ก็คือแสดงตัวหมุนจากธรรมนิยาม5ขึ้นมาสู่ไตรักษณนะครับเพราะผู้ที่ถึงอมตะก็ย่อมเข้าถึงอนัตตาธรรมใช่ไหมใช่ไหมฮะเวลานี้ถูกแล้วถูกแล้ว หน้าหของชุดที่หนึ่งะฮะของชุดที่หนึ่งหน้าตาอย่างนี้นะฮะหนาตาที่อยู่ในภาพหน้าตาอย่างนี้เห็นไหมฮะชุดที่หนึ่งจะเห็นว่าในสี่ควดแดนเนี่ยมันจะมีสั ญ, ญลักษณ์อันหนึง่งที่เป็นเกลียวขึ้นมาแล้วก็มีตัวยอ่ทอทห้าคือธรรมนิยามห้าลพนาจุจดแหลมก็คือไตรลักษ์นะครับงั้นที่เมื่อกี้เราพูดทั้งหมดเนี่ยเราก็พูดธรรมะที่ไปไปถึงอนัตตาธรรมเลยใช่ไหมการเป็นอมตะก็ดีอย่างนี้เป็นอนัตตาธรรมไหม เข้าถึงไหมนะฮะอันนี้ตัวย่อๆถูกไหมครับเห็นภาพน ะ, ะทีนี้เราเป็นธรรมนิยามห้าอย่างไรท่านย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งในหน้าแรกคาเวอร์ตัวนี้นะเมื่อกี้อธิบายเป็นหน้าหน้าแล้วนะครับย้อนกลับมานิดหนึ่งเมื่อกี้ปฏิโลมไปนะตอนนี้อนุโลมกลับนะครับเริ่มจากแผ่นแรกสุดเนี่ยแผ่นที่แผ่นที่ห้าเนี่ยท่านดูเนี่ยมันเป็นชุดความรู้ที่สัมพันธ์กับธรรมนิยามห้าในส่วนที่เป็นอุตตุไหมดินน้ําลมไฟมีส่วนไหม มีส่วนไหมครับมีมีพารนะแต่ตัวนี้จะซับซ้อนหน่อยคือตัวที่4นะครับพีชะพีชะคือพืชใช่ไหม ช, ชุดความรู้นี้ถ้าพูดไปแล้วราคากิกโตสากิกโมหกิกเนี่ยถือว่าเป็นคําสอนที่เป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะไหมเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะไหมที่ถ้าจเจริญงอกขึ้นมาแล้วจะเป็นโลกุตระไหมเป็นโลกุตระบุคคลไหม พีชะท่านได้แล้วนะทุกคนในนี้มีเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะอยู่รับมากี่เมล็ดไม่รู้นะครับใครไม่ใครมั่นใจว่าตัวเองได้รับเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะมาบ้างแล้วช่วยยกมือหน่อยอช่วยถ่ายไว้นะครับนี่คือผู้ผู้ที่ภายนอกต้องของอนุญาตใช้คำว่าวงเล็บนะบางอา จ, าอา จ, าอาจประกาศว่าฉันได้รับเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะ นี่ยังยังเกรงใจนะว่ากี่มเมล็ดหรือกี่ปีกี่ปีคุณจำนวนมเมล็ดอีกอะไรยังไม่ไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับยังเกรงใจนะเอามาขั้นที่สามนะครับตกลงท่านได้อุตตพีชะจิตแผ่นที่สามเป็นจิตสันโดษเอยนะครับไปจนถึงมีฌานเอยเป็นเรื่องของจิตไหมแล้วเป็นจิตที่สมควรไหมเป็นจิตที่ไปสู่โลกุตละไหม โอเคนะทีนี้ถัดมาแผ่ที่สองพาะท่านสอนทั้งหมดเนี่ยพุทธชีพศิลป์แล้วก็สรรค่าสร้างคนความรักสิมิติเนี่ยเป็นคําสอนเรื่องกรรมที่ควรกระทําใช่ไมใช่เราทุกคนทําได้อย่างกรรมเหล่านี้ครบสมบูรณ์หรือยังย่า ง, างแต่รู้ใช่ไหมว่าควรจะเป็นกรรมที่สมบูรณ์เป็นกรรมนิยามไหมไเป็นกรรมที่เส้นประถ้าเราเติมเต็มก็เป็นพาเข้าสู่ทําได้ใช่ไหม เมื่อท่านมาได้ทั้งสี่ตัวแล้วมหาวิชาลามนาวาบุนิยมก็เป็นสถาบันที่พาคนเข้าสู่ศูนย์กลางของธรรมนิยามคือโลกุตลธรรมได้ไหมได้ไหมได้ไหมขอบคุณครับตติยมปิเพราะฉะนั้นท่านเห็นตัวอย่างเลยนะ ถ้าท่านเอาความสัมพันธ์ระหว่างมหาพิชรามนาวาบุญยมซึ่งเราบอกแล้วว่าถ้ามันจะกว้างไกลเนี่ยกว้างไกลให้สุดๆไปเลยถึงทำมณียามห้าเพราะธรรมยามห้าแท้จริงก็คือจักรวาลธรรมใครรู้ขอบเขตของจักรวาลธรรมบ้างบางอาจอีกแล้วนะวงเล็บบางอาจอีกแล้วนะวงเล็บครั้งที่สองครั้งที่สามอยู่ที่ท่านแล้วนะท่านจะบางอาจร่วมด้วยหรือเปล่า ใครคิดว่าจะมอาอ่านร่วมด้วยสาธิตแสดงอันนี้ต่อสู่สังคมช่วยยกมือหน่อยอคิดดีๆนะไม่น่อยไม่น่อยบางคนยังไม่มั่นใจไม่เป็นไรครับ <c oughs> กว่าครึ่งนะฮะที่เมื่อกี้โชว์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเอาหัวข้อมหาวิชาลามนาวาบุญยมนำเสนอสู่สังคมนะครับนี่ถึงสามหน้าไหมนี่ถึงสามหน้าไหมหน้าเดียว แผ่นนี้หน้าเดียวจริงไหมจริงไหมครับแล้วท่านก็เขียนนิดๆหน่อยๆประกอบภาพหนึ่งภาพสองภาพสาภาพสี่อีกสักหน้าหนึ่งสรุปอีกสักหน้าหนึ่งสามหน้าไหมนี่ตัวอย่างนะแต่ไม่ได้หมายว่าท่านเอาตัวนี้ไปทํานะแต่หมายว่าถ้าเราจะมองกว้างธรรมะมีเยอะแยะเลยที่เราจะดึงขึ้นมานี้กลุ่มของท่านนะ่ยท่านจะเอาอะไรขึ้นมาตั้งตนจะหยิบจากตัวใดตัวหนึ่งในนี้แล้วไปขยายก็ได้นะครับ หรือจะเอาตัวหมหาวิเชลามตัวแรกเลยก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แต่นี่แต่เห็นว่าท่านมีอิสระเสรีมากในศิลปะนี่เป็นงานที่อิสระเสรีมากนะครับเราก็จะได้ดูกันนะครับว่าพวกเราจะไป เ, เรียกว่าเอ็กซ์ s e เนาะลองฝึกผนตรงนี้กันขึ้นมาอย่างไรบ้างนะครับเขาว่าคนส่วนใหญ่สายชาญเนี่ยจะมีจินตนาการค่อนข้างล้าลึกนะ แต่แบบหนักแน่นว่ากันว่างันนะเราจะดูกันว่าถ้าอย่างนี้ทางทางท่านว่าอย่างนี้ออกมาจากจินตนาการไหมถูกไหมาสายเจโตจะรับได้เร็วไหมสายเจโตรับได้เร็วไหมเพราะผู้มานี่ภาวะทุกตัวเลยใช่ไหมเป็นต้องตีความไหม ที่พูดมาแต่ละตัวละตัวเนี่ยจับลงป๊อกปอ ก, ป อ, ก, ป อ, กอย่างเงี้ยดินไปดินมาไหมตีความไหมพิสูจน์ได้ไหมยืนยันได้ไหมใครยืนยันใครยืนยันเออพวกเราพวกท่านยืนยันเองนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นว่าวิชานี้เหมือนเป็นสายปัญญาแต่แท้จริงรักสเจโตนะครับ นะย้ำอีกทีนะรักสายเจโตนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเจโตเข้าใจจับต้องได้ผ่านไหม ผ, ผ่านนะผมไม่ห่วงปัญญาหรอกปัญญาเขาผ่านอยู่แล้วอที่ห่วงที่สุดคือสายเจโตเราจับต้องได้ไหมขอเสียงสายเจโตหน่อยยกมือหน่อยครับให้ผ่านเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเจโตเยอะเลยเนะี่ยเกือบหมดครับขอบพระคุณมากเลยนะฮะวันนี้เลยเวลาเกือบห้าโมงแล้วนะครับขอเวลากลับไปแล้วก็ไปเตรียมมานะครับ อาจจะไม่มีคําถามเพถือว่าให้คําถามไปช่วงตอนแรกแล้วนะฮะแต่ว่าคราวหน้าคิดว่าคราวหน้าอาจจะเข้าเรื่องของการเขียนบ้างนะครับว่าเราจะมีส่วนร่วมในการเขียนหรือในกระบวนการเหล่านี้กันยังไงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้ว อ, อ, อันนี้ต้องเรียนว่าเป็นการให้ภาพรวมของการที่เราจะเรียนรู้ฝึกฝนทั้งปีเลยนะ นในเทอมแรกเนี่ยหเดือนแรกเนี่ยเราจะเน้นในเชิององค์ประกอบหรือชุดความรู้แต่ใน6เดือนหลังเราจะเน้นที่ตัวท่านเริ่มเขียนออกมาเริ่มดึงจากเรื่องต่างๆเรื่องฐานงานเรื่องอะไรต่างๆวงพวกเนี้ยตามชุดพวกเนี้ยเอาออกมาให้เวลากับสิ่งนี้มากขึ้นนะครับสมมติว 60, 40, ่า6 0 40ี่หรือหรือนึ่งในสามสองในสมเนี้ยถ้าเทอมนี้อาจจะเน้นทางหลักความรู้เพื่อท่านจะได้มีเครื่องมือ จะเน้นไปสองในสแต่เริ่มให้ท่านเขียนหนึ่งในสนะครับแต่เทอมหลังเนี่ยจะเน้นให้ท่านเขียนเอาเข้ามาสองในสแล้วชุดความรู้ก็มาเสริมหรือมาตรวจสอบสวดทานกับชุดความรู้หลักเพราะว่าถือว่าชุดความนี้พวกท่านยอมรับจะใช้ในปีหนึ่งนี้ไหมทั้งปีเลยเนี่ยยอมรับไหมไม่ต้องมากกว่านี้ก็เกินพอใช่ไหมอ่าเราก็เพียงแต่มาหาความจริงใส่เข้าไปเหมือนกับท่านไปอยู่คอนโดเข้าไปห้องเปล่าๆท่านทุกคนต้องมี การใส่สิ่งที่มีชีวิตอยู่กับท่านใช่ไหมเฟอร์นิเจอร์เอ่ยที่อยู่เอ่ยอะไรเอ่ยแต่ละห้องเหมือนกันไหมไม่เหมือ น, เ, อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเขียนเข้ามาอาจจะไม่เหมือนแต่มันก็อยู่ลักษณะเหมือนคอนโดเดียวกันใช่ไหมอันนี้ก็เปรียบเหมือนเอามีคอนโดให้ท่านแล้วนะครับพอพอพออะไรนะจินตนาการอนาคตของท่านได้อยู่คอนโดโลกุตละนะครับ โอเคขอบพระคุณมากครับสาธุคงต้องขออนุญาตพิวกายไปอย่างรวดเร็วนะนะชั่วโมงหนึ่งไปถึงไหมคุณหนึ่งป้า